นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงหรือไม่เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใจแตกหรือปัญหาภายในใจแตกจึงควรสร้างสมาธิสร้างปัญญาอันเป็นทางรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์แล้วรู้นิพพานให้มัน่นคงสิ่งเหล่านี้จะไม่พนม้นวิสัยของใจที่ขัดเกลารด้ดีหรือขัดเกลาดีแล้วไปได้ต้องรู้ประจักษ์ยิ่งกว่าการคาดคิด ซึ่งเป็นปัญหาทำลายหัวใจเป็นไหนๆและควรทราบว่าท่านที่มาชี้แจงบาปบุญในกสวรรค์นิพพานให้พวกเราด้นเดาจนหัวเสียไปตามๆกันแบบเด็กขึ้นบนบ้านโดดชูชีพด้วยร่มกันแดดกันฝนสิ่งที่ได้รับคือขาหักสลบเหมือดไปพักหนึ่งนั่นท่านรู้ด้วยหลักใจหลักธรรมะเป็นเครื่องพาให้รู้ให้เห็นท่านจึงรู้ได้ชัดพูดได้ชัด ชี้แจงได้ชัดไม่ผิดพลาดจากความจริงแม้สิ่งนั้นจะมีจริงจากความรู้ความเห็นจริงท่านแต่พวกเราอย่างด้นเดาไม่ถูกสิ่งที่ถูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเหลวไหลไร้สาระและคำปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วก็สร้างกรรมพอกพูนทับถมตัวเองจนหาบคนไปไม่ไหวแม้เช่นนั้น ก็ยังกล้าดดนเดาและปฏิเสธ ต, ต่อไปโดยความลูกคลำกรรมมือว่าตายแล้วก็ศูนย์เท่านั้นไม่มีอะไรมาคอยรับผลแห่งกรรมเหล่านี้สืบต่อไปอีกโดยมิได้คำนึงว่าโลกที่เกิดมาบนว่าทุ ก, กันนั้นถ้าเสียงบ่นให้ความทุกข์ทรมานที่ทับถมจนหาทางออกมิได้ดังเหมือนเสียงฟ้าเสียงระเบิดแล้วโลกนี้คงตับแตกหัวใจวายตายิบหายปนปีกันไปหมด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 เช่นโลกจอมบนทั้งหลายที่กล่าวมาเกี่ยวกับการคิดเรื่องในรกสวรรค์เป็นต้นนั้นคือต้นปัญหาทำลายจิตใจควรระวังอย่าดวนให้เกิดขึ้นแต่พยายามทําใจให้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งปกปิดกำบังทั้งหลายหากจะรู้ไปเองปิดไม่อยู่ต้องรู้แน่นอนสิ่งมีอยู่เหล่านั้นไม่ปิดบังตัวเอง นอกจากโลกปิดบังตัวเองไม่มีอะไรปิดบังโลกมีจักสุคือตาในเปิดเผยก็เห็นเองสมาธิจิตอาจให้เกิดปัญหาได้หลายทางแต่ปัญญาคือฟังหรือทำนกก้านนั้นปัญหาทุกชนิดพ้นไปไม่ได้ถ้านำมาใช้ต้องเห็นผลทันตาแต่การเริ่มแรกปฏิบัติ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 จิตของแกมีนิสัยผาดโผนคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นอยู่หลายขแขนงซึ่งพอจะนำมาลงไว้เป็นข้อคิดแกท่านนักปฏิบัติได้พิจารณาหาสาระเท่าที่ควรเป็นได้สมัยแกยังเป็นสาวท่านอาจารย์มั่นเคยไปจาพรรษาอยู่ที่เขตบ้านแกหนึ่งพรรษาพร้อมพระเนนเป็นจำนวนมากทราบว่านับแต่ตั้งบ้านนั้นมาเพิ่งมีพระมาอยู่จพาพรรษา ราวส0ถึงห0องค์คราวนั้นเองราเทรานุเทระที่มีอายุพรรษามากซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีมาจาพรนษาด้วยหลายองค์องค์ที่มีความรู้ทางปรจิ ต, ตวิชารู้วาราจิตของคนอื่นก็มีและทำหน้าที่ช่วยดักจับพระที่ชอบขโมยเก่งๆคือหมายถึงจิตพระที่ชอบขโมยคิดออกนอกลูนอกทาง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 คอยดักเอาตัวเก่งๆที่ฉลาดให้ได้พอสั่งเสร็จก็เริ่มแสดงธรรมต่อไปโดยไม่สนใจกับอะไรสักประเดี๋ยวขโมยก็ดอมออกเที่ยวเพ่นพ่านตามเคยแล้วก็ได้ยินเสียงท่านองค์ทำหน้าที่ปราบทักขึ้นในเวลาต่อมาว่าท่านชื่อนั้นคิดอะไรอย่างนั้นท่านอาจารย์หยุดเทศชั่วคราวและช่วยเสริมการปราบของท่านองค์นั้นว่ามันต้องอย่างนั้น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 ท่านทักไม่กี่รายโจรผู้ร้ายก็สงบลงเห็นทันตาแต่บางรายกลับกลัวท่านมากทั้งในขณะนั้นแล้ววาราต่อไปไม่กล้าส่งจิตออกเที่ยวนักเหมือนแต่ก่อนนี่ท่านสั่งให้ทำเป็นครั้งคราวส่วนจะมีความหมายอย่างไรบ้างนั้นพวกเราทราบไม่ได้เพราะท่านไม่บอกแม่องค์ที่เคยช่วยท่านถ้าท่านไม่สั่งก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นเรากับว่าไม่รู้อะไร แต่พระเนนก็กลัวท่านมากรองท่านอาจารย์ลงมานี่เขียนออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าขโมยพระสิจึงขอย้อนกลับเข้ารอยเดิมที่วางแนวเอาไว้หญิงสาวคนนั้นก่อนที่จะเริ่มฝึกหัดภาวนาก็เนื่องจากท่านอาจารย์เป็นจำพรรษาที่นั้นและแกก็เคยไปวัดกับชาวบ้านอยู่เสมอ ท่านจึงสั่งให้ทำภาวนาและแนะวิธีให้ไปทําที่บ้านได้ผลอย่างไรให้ออกไปเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้อธิบายต่อให้ตอนบวชเป็นชีแล้วแกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าพอท่านสั่งแล้วสั่งอีกหลายครั้งหลายหนให้ทาภาวนาแกจึงคิดสะดุดใจว่าเฉารอยเราจะพอมีวาสนาอยู่บ้างกระมังท่านอาจารย์จึงมักเมตตาเราเป็นพิเศษเสมอมา ถ้าไม่มีอะไรดีอยู่บ้างท่านจะมาสนใจอะไรกับเราที่เป็นเพียงเด็กกลางบ้านคนหนึ่งซึ่งเทียบกับหมาตัวหนึ่งเราดีๆนี่เองไม่มีอะไรดียิ่งกว่านั้นต่อไปนี้เราควรทําภาวนาตามวิธีที่ท่านเมตตาแนะนําแก่เล่าว่าท่านแนะให้ภาวนาพุทโธกลางคืนวันหนึ่งพอทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าห้องนอนแต่หัวค่า แต่มุ่งหมายจะเข้าที่ทำภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังตามคำท่านสั่งพอไหว้พระเสร็จก็เริ่มเข้าที่ภาวนาตามวิธีที่ท่านแนะพอเริ่มบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธไปได้ราวสิบห้านาทีจิตก็สงบรวมลงไปแต่แกเองไม่ทราบว่าจิตของตัวรวมเราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนเพิ่งมาเป็นเอวันนั้นขณะที่จิตรวมลงนั้น เหมือนตัวเองตกลงไปก้นบ่อลึกพับเดียวแล้วหายเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นปรากฏว่าตัวแกเองตายจริงๆคือภาพตัวแกเองมาตายอยู่ตอนหน้ามองเห็นได้ชัดว่าเป็นตัวแก่จริงตายอยู่ตอนหน้าและเชื่อแน่ในขณะที่เห็นภาพนั้นว่าตัวเองตายแล้วจริงๆแต่สิ่งหนึ่งนึงนกขึ้นมาว่าโอ๋หนอเราตายซะแล้วบัดนี้ วันพรุ่งนี้ใครจะนึ่งข้าวใส่บาตแทนเราหนอเวลาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตไม่เห็นเราใส่บาต ท, ท่านก็จะถามถึงแล้วใครจะเรียนตอบท่านแทนได้ว่าเราตายเสียแล้วตอนนั่งภาวนาคืนนี้เลยนึกตัดสินใจขณะนั้นว่าเอา้าตายเป็นตายคนและสัตว์ทั้งโลกล้วนจะตายเช่นเดียวกับเรานี่แหละไม่มีใครจะมาจับจองครองโลกแต่ผู้เดียวได้ไม่ยอมตาย พอตัดสินใจได้แล้วก็ย้อนจิตมาสนใจกับภาพศพตัวเองที่กำลังนอนตายอยู่ตอนหน้าไม่เลือนรางหายไปไหนราวกับเตือนให้รู้สึกตัวว่าตายแล้วไม่มีทางสงสัยขณะที่กำลังรำพึงการตายของตัวเองยังไม่ถึงไหนชาบ้านพากันมาหามศพนั้นไปป่าช้าในขณะนั้นพอไปถึงป่าช้าก็มองเห็นท่านอาจารย์มั่นกับพระทั้งหลายกำลังเดินตรงเข้ามาที่ศพ ซึ่งนอนอยู่เฉพาะองค์ท่านอาจารย์มั่นพูดกับพระว่านี่เด็กหญิงคนนี้ตายแล้วเอาพวกเรามาติกาแต่คํามาติกานั้นเป็นคําของท่านอาจารย์มั่นพูดออกมาองเดียวในท่ามกลางพระสงฆ์ที่กำลังยืนมุงดูอยู่ว่าอานิจจาวัตสังขาราสังขารร่างกายตายแล้วใช้งานอะไรไม่ได้แต่จิตไม่ตายยังใช้งานได้ตลอดไป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 แต่ไม้ท่านเขี่ยไปถึงที่ใดเนื้อหนังมังสังเปลยออกไปถึงที่นั่นจนเปลยไปหมดทั้งร่างและท่านเขี่ยไปทั่วร่างของศพนั้นจนเหลืออยู่เฉพาะหมากหัวใจท่านจึงหยิบเอามากหัวใจออกมาและพูดว่าหัวใจนี้ทำลายไม่ได้ถ้าทำลายต้องตายไม่มีฟื้นอีกตัวแกก็ดูอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่คณะแรกปรากฏจึงคิดขึ้นมาว่า ก็คนตายจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างแล้วยังเหลือแต่กระดูกจะเอาอะไรมาฟื้นท่านตอบตามความคิดนึกของแกทันทีแต่ไม่ได้มองดูหน้าแกว่าต้องฟื้นสิไม่ฟื้นอย่างไรเพราะสิ่งที่จะพาให้ฟื้นยังมีอยู่จวนสว่างพรุ่งนี้ก็ฟื้นเท่านั้นเองดังนี้นับแต่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับศพ แต่หัวค่ําจนเรื่องจะยุติลงและท่านอาจารย์กับพระสงฆ์จะจากไปกินเวลานา น, านแสนนานแก่ว่าแกเล่าเหตุการณ์ของแกยืดยาวผู้เขียนจําไม่ค่อยหมดแกว่าจิตเริ่มปรากฏแต่ขณะสงบลงทีแรกและต่อเรื่องราวไปจนจวนสว่างจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนรู้สึกตัวขึ้นมาจึงได้ยินเสียงไก่ขันกระชัน้นจวนสว่าง มองดูตัวยังนั่งอยู่ตามปกติไม่ได้ตายดังที่เข้าใจในเวลานั้นจึงกลับดีใจคืนมาว่าตัวไม่ได้ตายไปกับเรื่องที่ปรากฏเมื่อทราบเรื่องของตัวโดยตลอดว่าไม่ตายจริงๆแล้วก็มานึกตำหนิตัวเองว่าท่านให้นั่งภาวนาแต่ทำไมเราจึงนั่งหลับและหลับเสจจฝันว่าตัวตายไปทั้งคืนก็ยังไม่ตื่นแม่คืนนี้ภาวนาเลวจริงๆ พอรุ่งเช้าวันต่อมาท่านอาจารย์มาบินธบาดก็สั่งแกในขณะนั้นว่าประมาณพระชันเสร็จให้ออกไปหาโดยที่แกไม่ได้เรียนอะไรให้ท่านทราบไว้ก่อนเลยแม้แต่ก่อนท่านก็ไม่เคยสั่งให้แกออกไปหาเพิ่งมีครั้งนั้นเท่านั้นจึงเป็นที่น่าประหลาดว่าท่านต้องทราบเรื่องของตนแต่ตอนกลางคืนแล้วอย่างชัดเจนพอออกไปท่านก็ถามทันทีว่า อย่างไรภาวนาเมื่อคืนนี้แกวเรียนตอบว่าภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลยพอภาวนาพุโทโธพุโทโธไปได้ราวสิบ้านาทีจิตก็ตกลงไปก้นบอ่อแล้วหลับและฝันไปเลยเกือบตลอดคืนจนสว่างขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้กลัวหลวงพ่อจะดูเอาว่าภาวนาไม่เป็นท่าได้ตล่ละพอทราบเท่านั้นท่านก็หัวเราะชอบใจ และถามทันทีว่ามันหลับอย่างไรแล้วฝันอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังดูทีแกเล่าถวายท่านดังกล่าวมาท่านยิงหัวรอใหญ่และพูดออกมาด้วยความชอบใจว่านั่นไม่ใช่หลับไม่ใช่ฝันนั่นแหละจิตสงบจิตรวมจงจำไว้ที่ว่าฝันไม่ใช่ฝันแต่เป็นนิมิต ท, ที่เกิดจากสมาธิภาวนาต่างหากนี่แหละที่ท่านว่าภาวนาเห็นนิมิตต่างๆนั้น คือเห็นอย่างที่หนูเห็นนั่นเองท่านอธิบายให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็บอกให้พากันกลับบ้านและสั่งกำชับให้ภาวนาต่อไปและบอกว่าจิตจะรู้เห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นไปไม่ต้องกลัวหลวงพ่อไม่ให้กลัวอะไรผ่านมาในขณะภาวนาจงกำหนดรู้ให้หมดเวลาหลวงพ่ออยู่ที่นี่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวเวลาภาวนารู้อะไรเห็นอะไร ให้ออกมาเล่าให้ฟังจากนั้นมาแกก็พอใจภาวนาเหตุการณ์เป็นไปเรื่อยๆในลนักษณะต่างๆกันจนเวลาท่านจะจากไปจึงสั่งให้ออกไปหาและสั่งกำชับให้หยุดภาวนาไปพักหนึ่งก่อนเมื่อถึงการแล้วจะค่อยเป็นไปเองคือเวลาท่านจากไปห้าไม่ให้ภาวนาท่านคงคิดพอแล้วว่า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 นิสัยที่เคยรู้เคยเห็นสิ่งต่างๆก็ปรากฏรู้เห็นเรื่อยมาตอนแก่พบผู้เขียนและเล่าภาวนาให้ฟังจึงทราบนิสัยและทราบความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ที่ห้ามไม่ให้แก่ภาวนาเพราเป็นนิสัยผาดผลถ้าไม่มีผู้รู้ที่เหนือกว่าจะรังไว้ไม่อยู่เวลาเป็นขึ้นมาเนื่องจากไม่มีอุบายจะรังนั่นเองอาจมีทางเสียได้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 ตามปกติเวลาแกบวชแล้วก็เคยไปกราบน้ำม ก, การเยี่ยมท่านเพื่อฟังการอบรมทุกปีมิได้ขาดในระยะที่ปรากฏเห็นองค์ท่านอาจารย์มาปรากฏบ่อยนั้นจะว่ากรรมหรืออะไรก็ยากจะเดาถูกเพราะขณะปรากฏทางสมาธินิมิตก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าท่านอาจารย์ป่วยหนักจนเต็มทีแล้วทั่นอุตสาหเมตตาหอมาบอกแทบทุกคืนและต่อมาก็มาปรากฏทุกคืน พวกเรายัางไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเลยยังติดธุรานันนี่อยู่ไม่มีวันสางซาพอนัดกันวันนั้นวันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยมท่านก็ไม่สำเร็จพอวันสุดท้ายที่กําหนดออกเดินทางก็เป็นวันท่านมรณภาพมาถึงและก็คืนนั้นนั่นแหลท่านได้เหาะมาทางอากาศยามเดืกสงัดมายืนประกาศกึกกล้องอยู่บนอากาศว่าเห็นไหมพอบอกหลายครั้งแล้ว ว่าให้รีบไปเยี่ยมพ่อบัดนี้หมดเวลาเสียแล้วจะพากันจมกองมูดของคูดอยู่ที่นี่ก็ตามใจถ้าไม่สนใจคำของพ่อก็เป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้วบัดนี้พ่อลาโลกไปเสียแล้วพากันทราบหรื อ, อยังถ้ายังก็คอยฟังข่าวเสียพ่อบอกความจริงให้แล้วไม่เชื่อไปก็เห็นแต่ทรากนั่นแหละที่ไม่มีอะไรรับรู้เหลืออยู่แล้วบัดนี้พ่อลาโลกแล้วนะเชื่อหรื อ, อยัง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 พอสว่างก็รีบมาบอกหมู่คณะว่าท่านอาจารย์มั่นนิพพานไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้ฉันทราบทางนิมิตภาวนาอย่างชัดเจนไม่สงสัยดังที่เคยเตือนให้ทราบอยู่เสมอมาแล้วร้องไห้ต่อหน้าหมู่เพื่อนอย่างไม่อายจนใครก็งง ง, งันไปตามๆกันถ้าจะว่าแก่เป็นบ้าหรือก็ไม่ถนัดใจเพราะความรู้ทางสมาธิของแกเคยแม่นยำมาแล้วจนเชื่ออย่างตายใจยิ่งกว่าจะมาคิดว่าแกเป็นบ้า ขณะที่พูดสนทนากันยังไม่ขาดคำก็มีคนวิ่งตารีตาขวางออกมาบอกว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพเสียแล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ทราบหรื อ, อยังวิทยุทางอำเภอประกาศเมื่อเช้านี้เวลาแปนาฬิกาว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทะัตะเทระองค์ลือนามในวงปฏิบัติสมัยปัจจุบันได้มรณภาพเสียแล้วแต่เวลาสองนาิกานาทีที่วัดสุทธาวาส จังหวัดสกล น, นครอมทราบเพียงเท่านี้ก็รีบกลับมาบ้านบอกใครต่อใครบ้างแล้วก็วิ่งมาเรียนให้คณะคุณแม่ทราบเปรงว่าจะยังไม่ทราบกันดังนี้พอทราบความแน่นอนในวาระที่สองว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจริงๆเท่านั้นสำนักแม่ชีได้กลายเป็นสภาน้ําตาขึ้นมาอีกวาระหนึ่งหลังจากพากันหลางน้ําตาไปแล้วในตอนเช้าที่แม่ชีคนนั้นเล่านิมิตให้ฟัง